พระตตยปิฎกเล่มที่ส4บสี่อุเทสาวิพังคสูตรการพิจารณาเพื่อความพ้นทุกข์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอาราัมของอนาทะบินธิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัส ด, ดังนี้ภิกษุทั้งหลาย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 และทุกต่อไปครั้นตรัสพระดํารัสโดยย่อนี้แล้วส่งลุกจากพุทธอาธิเสด็จเข้าไปอย่างที่ประทับครั้งนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นานภิกษุเหล่านั้นต้องการรู้เนื้อความโดยละเอียดจึงพากันไปถามกับท่านพระมหากัจารย์ถึงที่อยู่ท่านพระมหากัจารยนากล่าวว่าควรไปกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคจะดีกว่า แต่ภิกษุเหล่านั้นก็ยืนยันจะฟังจากท่านพระมหากจานะด้วยคงเกรงพระทัยพระผู้มีพระภาคท่านพระมหากจานะจึงตอบเรื่องนี้ไว้ดังนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยยอ่อไว้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงพิจารณาโดยประการที่เมื่อพิจารณาอยู่วิญญาณจะไม่ฟุ้งไป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 วิญญาณที่เรียกว่าฝุงไปส้านไปในภายนอกเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วมีวิญญาณส้านไปตามนิมิตพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกวิญญาณที่ถูกความยินดีในนิมิตคือรูปตรึงไว้ความยินดีในนิมิตคือรูปผูกมัดไว้ที่เกี่ยวข้องด้วยสังโยชน์ คือความยินดีในนิมิตคือรูปว่าฟุ้งไปซ่านไปในภายนอกและโดยในยาเดียวกันฟังเสียงทางหูแล้วดมกลิ่นทางจมูกลิมรสทางลิ้นถูกต้องผธทพะทางกายรู้ธรรมารมทางใจแล้วมีวิญญาณซ่านไปตามนิมิตคือรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะและธรรมารมนั้น พระผู้มีพระภาตรัสเรียกวิญญาณที่ถูกความยินดีในนิมิตคือรูปเสียงกลิ่นรสผลัดพระและธรรมารมณ์นั้นตรึงไว้ผูกมัดไว้ที่เกี่ยวข้องด้วยสังโยชน์คือความยินดีในนิมิตคือรูปเสียงกลิ่นรสผลัดพระและธรรมารมณ์นั้นว่าฟุ้งไปซ่านไปในภายนอกวิญญาณที่เรียกว่าฟุ้งไปซ่านไปในภายนอกเป็นอย่างนี้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 ไม่ร่างไปในภายนอกและโดยนัยยะเดียวกันฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องปวดทพะทางกายรู้ธรรมารมณ์ทางใจแล้วมีวิญญาณไม่ซ่านไปตามนิมิตคือรูปเสียงกลิ่นรสปวดทพะและธรรมารมณ์นั้น พระผู้มีพระภาตรัสเรียกวิญญาณที่ไม่ถูกความยินดีในนิมิตคือรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะและธรรมารมณ์นั้นตรึงไว้อุกมัดไว้ที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยสังโย์คือความยินดีในนิมิตคือรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะและธรรมารมณ์นั้นว่าไม่ฝุ้งไปไม่ซ่านไปในภายนอก วิญญาณที่เรียกว่าไม่ฟุงไปไม่สซ่านไปในภายนอกเป็นอย่างนี้จิตที่เรียกว่าตั้งมั่นอยู่ในภายในเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สงัดจั ก, กรามและอกุศลแลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมมาฌานที่มีวิตตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ภิกษุนั้น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 ตั้งมั่นอยู่ในภายในอีกประการหนึ่งเพราะละสุขละทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนภิกษุบรรลุจตุตถะชาญที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธ์เพราะอุเบกขาอยู่ภิกษุนั้นมีวิญญาณสั้นไปในอทุก ข, ขมะสุข พระผู้มีพระภาจึงตรัสเรียกจิตที่ถูกความยินดีในอาทุค ข, ขมัสุขตรึงไว้ผูกไว้ที่เกี่ยวข้องด้วยสังโยชน์คือความยินดีในอทุค ข, ขมสุขนั้นว่าตั้งมั่นอยู่ในภายในจิตที่เรียกว่าตั้งมั่นอยู่ในภายในเป็นอย่างนี้จิตที่เรียกว่าไม่ตั้งมั่นอยู่ในภายในเป็นอย่างไร คือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สงเากจักรกรรมและอกุศลละธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปถงมชานอยู่ภิกษุนั้นมีวิญญาณไม่สซ่านไปตามปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกจิตที่ไม่ถูกความยินดีในปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกตรึงไว้ผูกมัดไว้ที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยสังโยชน์คือความยินดีในปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกนั้นว่า ไม่ตั้งมั่นอยู่ในภายในอีกประการหนึ่งรอยวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรรลุตุติยาชาญอยู่ภิกษุนั้นมีวิญญาณไม่ซ้านไปตามปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกจิตที่ไม่ถูกความยินดีในปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิตรึงไว้ผูกมัดไว้ ที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยสังโยชน์คือความยินดีในปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิว่าไม่ตั้งมั่นอยู่ในภายในอีกประการหนึ่งพอปิติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยาชายานอยู่ภิกษุนั้นมีวิญญาณไม่สร่านไปตามอุเบกขา พระผู้มีพระภาจึงตรัสเรียกจิตที่ไม่ผูกความยินดีในสุขอันเกิดจากอุเบกขาตรึงไว้ขูกมัดไว้ที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยสังโยชน์คือความยินดีในสุขอันเกิดจากอุเบกขาว่าไม่ตั้งมั่นอยู่ในภายในอีกประการหนึ่งเพราะละสุขละทุกข์ได้เพราะทรงมณและโทมนัลดับไปก่อนภิกษุบรรลุจตุทธตฌานอยู่ ภิกษุนั้นมีวิญญาณไม่สซ่านไปตามอทุกขมะสุขคือไม่ทุกข์ไม่สุขพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกจิตที่ไม่ถูกความยินดีในอทุกขมสุขตรึงไว้ผูกมัดไว้ที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยสังโยชน์คือความยินดีในอทุกขมสุขว่าไม่ตั้งมั่นอยู่ในภายในจิตที่เรียกว่าไม่ตั้งมั่นอยู่ในภายในเป็นอย่างนี้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 พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีรูปบ้างพิจารณาเห็นรูปในอัตตาบ้างพิจารณาเห็นอัตตาในรูปบ้างรูปนั้นของเขายอมแปรพันเป็นอย่างอื่นได้เพราะความที่รูปแปรพันเป็นอย่างอื่นเขาจึงมีวิญญาณคล้อยตามความแปรพันของรูปข้อนี้หมายถึงกรรมวิญญาณแปรพันไปตามความแตกสลายของรูปว่า รูปของเราแปรผันไปแล้วหรือรูปใดที่มีอยู่รูปนั้นของเราไม่มีความสะดุ้งเพราะตันหาและความเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมอันเกิดจากการคล้อยตามความแปรผันของรูปย่อมครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่เพราะจิตถูกครอบงำเขาจึงเป็นผู้มีความหวาดหวัน่นขับแค้นอ่วงใหญ่ และเพราะตามยึดมั่นเขาจึงสะดุง้งและโดยในยะเดียวกันพิจารณาเห็นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณพิจารณาเห็นแต่ละประการนั้นโดยความเป็นอัตตาหรือเป็นเราเป็นของเราก็สิ่งเหล่านั้นของเขายอมแปลพันเป็นอย่างอื่นได้เพราะความแปรพันเป็นอย่างอื่น ความสะดุ้งด้วยตัณหาและความเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมยอมครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่เพราะจิตถูกครอบงำเขาจึงเป็นผู้มีความหวาดหวัน่นคับแค้นห่วงใยญและเพราะตามยึดมั่นเขาจึงสะดุง้งความสะดุ้งเพราะตามยึดมั่นเป็นอย่างนี้แหล ความไม่สะดุ้งเพราะไม่ยึดมั่นเป็นอย่างไรคือพระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับได้เห็นพระอริย์หรือสัตบุรุษฉลาดในธรรมะของพระอริย์หรือสัตบุรุษได้รับการแนะนำในธรรมะของพระอริยะหรือสัตบุรุษไม่พิจารณาเห็นรูปด้วยความเป็นอัตตาบ้างไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีรูปบ้างไม่พิจารณาเห็นรูปในอัตตาบ้าง ไม่พิจารณาเห็นอัตตาในรูปบ้างรูปนั้นของเขายอมแปลพันเป็นอย่างอื่นได้เพราะความที่รูปแปลพันเป็นอย่างอื่นเขาจึงไม่มีวิญญาณคล้อยตามความแปลพันของรูปความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่งอกุศลละธรรมอันเกิดจากการคล้อยตามความแปลผันของรูปย่อมไม่ครอบงำจิตเขาตั้งอยู่เพราะจิตไม่ถูกครอบงำ เขาจึงเป็นผู้ไม่มีความหวาดหวัน่นไม่ขับแค้นไม่ห่วงใยและเพราะไม่ยึดมั่นเขาจึงไม่สะดุง้งและโดยในยะเดียวกันไม่พิจารณาเห็นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณโดยความเป็นอัตตาคือเป็นตัวเราเป็นของเราซึ่งในทุกประการนั้นของเขายอมแปลพันเป็นอย่างอื่นได้ เพราะความแปรผันเป็นอย่างอื่นเขาจึงไม่คล้อยตามความแปรผันความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมยอมไม่ครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่เพราะจิตไม่ถูกครอบงำเขาจึงเป็นผู้ไม่มีความหวาดหวั่นไม่คับแค้นไม่ห่วงใยและเพราะความไม่ยึดมั่นเขาจึงไม่สะดุ้งความไม่สะดุ้งเพราะไม่ยึดมั่นเป็นอย่างนี้แหล ท่านผู้มีอายุทั้งหลายกระผมรู้ทั่วถึงเนื้อความแหกอุทเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยพิสดานอย่างนี้ถ้าท่านทั้งหลายเมื่อหวังจะรู้โดยละเอียดครบถ้วนพึงเข้าไปเฝ้าและสอบถามเนื้อความนั้นพระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลายทรงตอบอย่างใดท่านทั้งหลายพึงทรงจำเนื้อความนั้นไว้อย่างนั้นเถิด ครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพาสิทธ์ของท่านพระมหากานะแล้วลุกขึ้นจากอาสนะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลถึงการแสดงธรรมของท่านพระกานะให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมหากานณะเป็นบัณฑิตมีปัญญามากแม้ถ้าเธอทั้งหลายพึงสอบถามเนื้อความนั้นกับเราถึงเรา ก็พึงตอบอย่างเดียวกับที่มหากานะาตอบแล้วเหมือนกันก็เนื้อความแห่งอุเทศนั้นเป็นอย่างนี้เถิดทั้งหลายพึงทรงจาเนื้อความนั้นไว้อย่างนั้นเถิดพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพาสิ์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระพาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหละจบอุเทสวิพังคสูตร